ทรงประชุมสงสอบถามลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงรับสั่งให้ประชุมสงเพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุทั้งหลายผู้ควรแก่การชักเข้าหาอาบัติเดิมยินดีการที่ปกตตะภิกษุทั้งหลายกราบไหว้ลุกรับประนมมือทำสามีจิกรรม นำอาสนะมาให้นำที่นอนมาให้ตั้งน้ําล้างเท้าตั้งต่งรองเท้าตั้งกระเบื้องเช็ดเท้าการรับบาทและจีวรการถูหลังให้ในคราวอาบน้ําจริงหรือภิกษุทั้งหลายทูลรับว่าจริงพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาค พ, พุทธเจ้าทรงตําหนิว่า การกระทําของภิกษุผู้ควรแก่การชักเข้าหาอาบัตเดิมไม่สมควรภิกษุทั้งหลายฉะไหนพวกภิกษุผู้ควรแก่การชักเข้าหาอาบัติเดิมยินดีการที่ปกตศตะภิกษุทั้งหลายกราบไหว้ลุกรับประนมมือทําสามีจิกรรมนําอาสนะมาให้นําที่นอนมาให้ตั้งน้ําล้างเท้าตั้งต่างรองเท้า ตั้งกระเบื้องเช็ดเท้าการรับบาตรและจีวรการถูหลังให้ในคราวอาบน้ำเล่าภิกษุทั้งหลายการทำอย่างนี้มิได้ทำคนที่ยังไม่เลื่อมใสให้เลื่อมใสครั้นทรงตาหนิแล้วทรงแสดงธรรมีกถาแล้วรับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าภิษุทั้งหลายภิกษุผู้ควรแก่การชักเข้าหาอาบัติเดิม ไม่พึงยินดีการที่ปกตตะพิกษุทั้งหลายกราบไหว้ลุกรับประนมมือทาสามีจิก ร, รมนำอาสนะมาให้นำที่นอนมาให้ตั้งน้าล้างเท้าตั้งต่งรองเท้าตั้งกระเบื้องเช็ดเท้าการรับบาดและจีวรการถูหลังให้ในคราวอาบน้ำผู้ใดยินดีต้องอาบัดทุกกฎพิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตการที่ภิกษุผู้ควรแก่การชักเข้าหาอาบัดเดิมด้วยกันกราบไหว้ลุกรับประนมมือทำสามีจิก ร, รมนำอาสนะมาให้นำที่นอนมาให้ตั้งน้ำล้างเท้าตั้งต่งรองเท้าตั้งกระเบื้องเช็ดเท้าการรับบาดและจีวรการถูหลังให้ในคราวอาบน้าตามลำดับพรรษาภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตกิจ5อย่างคืออุโบสถปวารณาผ้าอาบน้ําฝนการสลัพัดพัดเพื่อภิกษุผู้ควรแก่การชักเข้าหาอาบัตเดิมตามลําดับพรรษาภิกษุทั้งหลายถ้าเช่นนั้นเราจะบัญญัติวัดแก่ภิกษุผู้ควรแก่การชักเข้าหาอาบัตเดิมด้วยวิธีที่ภิกษุ ผู้ควรแก่การชักเข้าหาอาบัตเดิมทั้งหลายต้องประพฤติ